สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยิพิบาลนะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่30ข้อที่10ถึงข้อที่14ครับภายใต้หัวข้อข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตตอนที่หนึ่งโปรดฟังพระจ้ะของพระเจ้ายานินทาคนใช้ให้ไายของเขาฟังเกรงว่าเขาจะแช่งเจ้าและเจ้าจะต้องรับกรรมชั่ว มีคนที่แช่งบีดาของตนและไม่อวยพรแก่มารดาของตนมีคนที่คิดว่าตนเองบริสุทธิ์แต่ไม่ได้รับการชำระความโสโครกของตนมีคนเช่นนั้นอยู่ทั่วไปตาของเขาสูงจริงหนอและหนังตาของเขาสูงยิ่งมีคนที่ฟันของเขาเป็นดาบทนของเขาเป็นมีดเพื่อจะทำลายคนยากจนเสียจากแผ่นดินโลกคนขัดสน เสียจากท่ามกลางมนุษย์พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการสังเกตรหรือ observation การสังเกตเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ผู้เขียนคืออากูครับอากูได้ให้คำแนะนำในข้อที่10ของบทนี้เป็นคำเตือนที่จะไม่ให้เราเข้าไปยุ่งกับกิจธุระของคนอื่นพี่น้องครับคำเตือนนี้ก็คืออย่านินทา อย่านินทาคนใช้ให้นายของเขาฟังเกรงว่าเขาจะแช่งเจ้าและเจ้าจะต้องรับกรรมชั่วพี่นะครับการนินทานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเราไม่ควรที่จะนินทานินทาก็คืออะไรครับนินทาก็คือพูดเรื่องไม่จริงของบุคคลอื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะอะไรครับในที่สุดแล้วคนที่นินทาหรือคนที่ชอบนินทา จะได้รับคํำสาปแช่งและจะต้องรับกรรมชั่วถือว่าเป็นการไม่ฉลาดที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องราวภายในบ้านหรือในชีวิตส่วนตัวของคนอื่นๆกรณีนี้นะครับในประเด็นที่คู่กันก็คือว่าการกล่าวหาทาดนะครับการกล่าวหาทาดหรือการกล่าวหาคนใช้กับเจ้านายของเขายัางไม่ถูกต้อง คาดอาจไม่เคยค้นพบว่าใครคนใดคนหนึ่งได้ใส่ร้ายเขาแต่เป็นไปได้ครับที่ว่าในที่สุดแล้วเจ้านายก็จะตรวจสอบการกล่าวหาและค้นพบว่ามันไม่จริงพี่น้องครับให้เราพูดถึงคนอื่นๆในความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นจริงครับและเป็นการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องนี่คือสติปัญญาเกี่ยวกับชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้ เจ้านายที่ดีและยุติธรรมอาจแช่งด่าคนที่กล่าวหาคนใช้ของเขาอย่างผิดๆในทางกลับกันครับคําแช่งด่าที่ไม่เหมาะสมซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่26ข้อที่สองผมจะอ่านให้พี่น้องฟังครับคําแช่งด่าที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกกระจอกที่กําลังโผลไปมาและนกนางแอ่นที่กําลังบินนั่นหมายความว่าคําแช่งสาบที่ไม่มีมูลความจริง ก็ไม่เกิดครับแต่คำแช่งสาบที่มีมูลความจริงมันจะเกิดตามที่พระวนะของพระเจ้าได้ว่าไว้เพราะฉะนั้นอย่านินทาคนอื่นที่ไม่เป็นความจริงเพราะว่าในที่สุดแล้วคำแช่งด่านั้นก็จะพุ่งตรงสู่เป้าหมายครับและพระกัมพีใช้คำว่าพุ่งตรงสู่เป้าหมายก็เทียบเท่ากับคำแช่งด่าครับพุ่งตรง ส, สู่เป้าหมายถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่คนที่ ทำการนินทาว่าร้ายคนอื่นยังไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงนั้นจะได้รับในที่สุดเพื่อนครับต่อไปข้อ11ถึงข้อสนั้นพูดถึงชีวิตหรือพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา4ประการด้วยกันอันนี้เป็นชุดของคน4ประเภทครับคนประเภทแรกก็คือคนที่อักตันอยู่คนประเภทที่สองก็คือคนน่าซื่อใจคดคนประเภทที่3คือคนเย่อหยิง และคนประเภทที่สีก็คือคนที่กดขี่ข่มเหงคนอื่นพี่น้องครับในข้อที่11นั้นเริ่มต้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวว่ามีคนที่แช่งบิดาของตนและไม่อวยพรแก่มารดาของตนที่นี่พูดถึงความหมาย2ประการครับความหมายประการแรกก็คือบิดามารดาจริงๆคนพวกนี้เป็นคนอักตันยอยู่ครับ และความหมายที่สองก็คือคนที่มีพระคุณกับชีวิตของเราเราเองนั้นก็จะต้องตอบสนองต่อพระคุณอย่าเป็นคนเนรคุณเพราะฉะนั้นความบาปตรงนี้นะครับคือการแช่งด่าคนที่มีพระคุณกับเราก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคนอื่นๆที่มีพระคุณกับเราเราแช่งด่าเขาก็คือเรากำลังเป็นคนที่เนรคุณนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ปรารถนาประการแรกครับ ประการที่สองก็คือพฤติกรรมที่ไม่ปรารถนาของคนหน้าซื่อใจคดพระคัมภีร์กล่าวว่ามีคนที่คิดว่าตนเองบริสุทธิ์แต่ไม่ได้รับการชำระความโสโครก ข, ของตนพี่น้องครับคนที่คิดว่าตนเองบริสุทธิ์ในแง่ของศีลธรรมในแง่ของจัรญาในแง่ของจริยธรรมในแง่ของความชอบธรรมเที่ยงธรรม มีบางคนที่คิดว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่บริสุทธิ์ครับจำพ่อพระพักของพระเจ้าเขาไม่ได้รับการชำระจากความโสโศกพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเรานั้นไม่ยอมรับและไม่ถ่อมใจที่จะรู้สึกว่าหรือรู้ตัวว่าเราเป็นคนบาปนั้นคนเหล่านั้นก็จะไม่มีโอกาสที่จะกลับใจใหม่ าบาปใดก็ตามที่คนเราไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปคนเจ็บป่วยเขาก็จะไม่ไปหาหมอเขาจะไม่มาพึ่งในพระเยซูเพื่อที่จะรับการชราระบาปเพื่อที่จะรับการยกบาปเพราะฉะนั้นนี่เป็นความโสโครกโสโครกทางศีลธรรมซึ่งเป็นคนน่าซื่อใจคดครับนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ปรารถนาประการที่สองพฤติกรรม ที่ไม่ปรารถนาประการที่สก็คือคนเย่อหยิง่งพั้งผีในข้อที่13ได้กล่าวว่ามีคนเช่นนั้นอยู่ทั่วไปตาของเขาสูงจริงหนอและหนังตาของเขาสูงยิง่งพี่น้องครับนี่คือเครื่องหมายของคนหญิงยโสหรือความหญิงยโสพระเจ้าเหยียดยามครับเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับท่าเที่ยงความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า ความหญิงยะโสนั้นเป็นบาปประการแรกเลยเป็นบาปดั้งเดิมที่ผมได้เคยบอกพี่น้องมานานความบาปดั้งเดิมก็คือความหญิงยะโสเพราะว่าปรารถนาที่จะเทียบเท่ากับพระเจ้าปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเจ้านั่นคือที่มาของมารซาตานครับพระเจ้าเหยียดหยามพฤติกรรมเหล่านี้ของคนเพราะว่าคนดันไปเรียนแบบมารซาตานอยากจะเป็นใหญ่พี่น้องครับ เพราะวาจหน้าของพระเจ้าเตือนเรานะครับว่าคนหญิงยะโสมีอยู่เยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนนะครับอยากจะพึ่งตัวเองทุกคนอยากจะดีทุกคนอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะเป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่นอยากจะเป็นจ่าฝูงเพราะฉะนั้นลักษณะนี้จะนํามาซึ่งจิตใจที่ไม่เคยพอเมื่อเขาได้มีเงินทองมัง่งคั่ง เขาได้มีเกียรติเขาไม่รู้จักพอเพราะว่าเขาอยากจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความหญิงยโสเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดกับมนุษย์เพราะหากว่าเราเองนั้นไม่สามารถสละซึ่งเกียรติยศไม่สามารถสามารถละซึ่งอำนาจไม่สามารถสละซึ่งสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าจะอยู่เหนือคนอื่นสายตาที่มองคนอื่นต่ำกว่า หนังตาที่รู้สึกว่าสูงกว่าคนอื่นนี่คือภาพเปรียบเทียบของพระกมภีร์ตอนนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะหลุดออกจากความบาปของการหญิงยะโสสุดท้ายครับก็คือคนที่กดขี่ข่มเหงคนยากจนคนที่กดขี่ข่มเหงคนยากจนคนที่ทุกข์ยากลาบากคนขัดสนคนที่ต้องการความช่วยเหลือพระัมภีร์เปรียบเทียบ เขาเหมือนสัตว์ร้ายที่หิวกระหายใช้ฟันคมฉีกเหยื่อของตนผู้ที่เราต้องให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์มากที่สุดก็คือคนยากจนคนขัดสนคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ถูกข่มเหงคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากอย่าเป็นคนที่ข่มเหงคนยากจนคนที่กดขี่ข่มเหงคนอื่นเพราะว่า เราจะเป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่หิวกระหายใช้ฟันคมฉีกเหยื่อของตนผมจะขอยกพระคัมภีร์สุริยดีบทที่14ข้อที่4ถึงข้อที่6และนำมาถึงพี่น้องในชาววันนี้บรรดาผู้ที่กระทาชั่วไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินขนมปังและไม่ร้องทุนพระเจ้าเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างน่าสดยดสยองยิ่งนักเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพวกผู้ชอบรม เจ้าหมายจากคว่ำแผนงานของคนยากจนเสียแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลีพไพรของเขาพี่น้องครับคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าไม่ทิ้งโปร่งจะทรงเป็นที่ลีพไพรของเขาคนที่เป็นคนชอบธรรมพระเจ้าจะสถิตอยู่กับผู้นั้นด้วยและเขาร้องทุนพระเจ้าเมื่อไหร่พระเจ้าจะตอบเขาทันทีให้เราเป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณอย่าเป็นคนเนรคุณให้เราเป็นคนที่ ปากตรงกับใจอย่าเป็นคนน่าซื่อใจคดให้เราเป็นคนที่ถ่อมใจยกย่องพระเจ้าให้เกียรติคนอื่นดีกว่าการที่เราเป็นคนเยื่อหยิ่งแล้วก็ให้เราที่จะมีจิตใจกว้างขวางช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคนที่อยู่ในความยุ่งยุ่งยากลำบากแทนการที่เราจะกดขี่คนเห็มคนอื่นอาเมน